แต่ชื่อที่ถูกต้องว่าโลกันตริกะแปลว่าตั้งอยู่ในระหว่างแห่งโลกท่านอธิบายว่าอยู่นอกขอบกำแพงวงกลมรอบโลกหรือจักรวาลคืออยู่ในระหว่างสามจักรวาลหรือระหว่างโลกสามโลกที่อยู่ใกล้กันดังเกวียนสามเกวียนหรือบาทสามบาทที่วางไว้ใกล้กันหรือเป็นสามมุมกระมังโลกันตริกะอยู่ในระหว่างนั้น เป็นนรกที่มืดมิดอยู่นิรันดรต่อมาพระพุตรเจ้าเกิดขึ้นจึงมีแสงสว่างคราวหนึ่งแต่ไม่สว่างอยู่นานแวบเดียวเท่านั้นแล้วก็มืดไปตามเดิมสัตว์บาปในนรกแห่งนี้เกาโหนห้อยกำแพงจักรวาลอย่างค้างข่าวจับตะคุบกินกันเองพากันตกลงไปในน้าที่เย็นหนักหนาร่างกายก็เปื่อยแหลกแล้วก็กลับเป็นรูปร่างปีนขึ้นไปก็โหอนอยู่ใหม่ สำร บ, บาทที่เป็นพาลหลงหรือเรียกในไตรภูมิพระร่วงคือที่เป็นนิยตมิจฉาทิฐิความเห็นผิดที่ดิ่งลงสามอย่างคือ 1. อกริยทิฐิเห็นว่าไม่เป็นธรรมคือทำบาปไม่เป็นบาปทำบุญไม่เป็นบุญ 2. อ, อเหตุตุกะทิฐิเห็นว่าไม่มีเหตุเช่นเห็นว่าสุขทุกขไม่มีเหตุเกิดขึ้นเองส นักทิกาทิฏฐิเห็นว่าไม่มีเช่นเห็นว่าทานศีลเป็นต้นไม่มีผลวิบากของกรรมดีกรรมชั่วไม่มีมารดาบิดาไม่มีคุณเป็นต้นนอกจากนี้สำหรับบาปที่ทำหนักหนาทารุณต่อมารดาบิดาสมณพราหมณ์ผู้ทรงธรรมและทำกรรมที่สาหัสอย่างอื่นมีฆ่าสัตว์ทุกๆวันเป็นต้นในภาษาไทยมักเรียกว่าโลกันตะนรก แต่คำว่าโล ก, กันตะแปลว่าที่สุดแห่งโลกหรือโลกบวกอันตะในที่บางแห่งใช้เป็นชื่อแห่งพระนิพพานดังแสดงไว้ในโลหิตสสูตรว่าที่สุดแห่งโลกไม่พึงถึงด้วยการไปในเวลาไหนๆจึงต่างจากคำว่าโล ก, กันตาริกะดังกล่าวแล้วคือโลกบวกอันตาริกะตั้งอยู่ในระหว่างแห่งโลกตามกติความคิดเรื่องโลกอะไ แสดงว่านรกสวรรค์ทั้งปวงพลอยปละไไปด้วยกับโลกจนถึงโพรหมโลกมีระบุไว้ว่าปรายลขึ้นไปถึงชั้นไหนเหมือนอย่างล้านกันสีคราวหนึ่งสัตว์โลกตลอดถึงพวกนรกก็ขึ้นไปเกิดในโพรหมโลกที่ยังเหลืออยู่พวกนรกที่ยังไม่สิ้นกรรมก็ต้องอพยกไปในนรกของจักรวาลอื่นท่านว่าไว้อย่างนี้เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวแก่ที่อยู่ของสัตว์โลกทุกประเภทแต่สาหรับโลกันตริกานรก ไม่ต้องปลัยไปพร้อมกับโลกเพราะอยู่ในระหว่างโลกจึงเหลือที่อยู่สำหรับพวกบาปที่เป็นมิจฉาทิฏฐิดิ่งลงและพวกบาปหนักอย่างอื่นดูท่านที่เป็นต้นกติความคิดเรื่องนี้จะมุ่งให้มีนรกสักแห่งหนึ่งที่ยั่งยืนไม่ต้องปลัยไปพร้อมกับโลกจึงตั้งนรกนี้ไว้ในระหว่างโลกหรือจักรวาลทั้งหลายเพื่อเป็นที่ทรมานสัตว์บาปประเภทที่ท่านไม่ยอมให้เลิกแล้วการเสียในคราวโลกวินาศ น, นั้น เรื่องนรกมีลักษณะต่างๆตามที่กล่าวมานี้น่าจะเป็นที่เชื่อถือกันตลอดเวลาช้านานในมิลินทะปัญหาก็ยังได้กล่าวถึงว่าไฟนรกร้อนยิ่งกว่าไฟปกติมากมายก้อนหินเล็กๆที่ใส่เผาในไฟปกติตลอดวันก็ยังไม่ย่อยละลายแต่ถ้าใส่ในไฟนรกแม้จะใหญ่โตเท่าเรือนยอดก็ย่อยละลายลงไปทันทีแต่ว่าสัตว์รกบังเกิดอยู่ได้นาน ไม่ย่อยละลายไปพระเจ้ามิลินทะไม่ทรงเชื่อในเรื่องนี้พระน่าเกษณทูลแถลงว่าอยู่ได้เพราะกรรมตามิลินทะปัญหานี้ไม่ได้ค้านว่านารกไม่มีแต่ค้านในลนักษณะบางอย่างเท่านั้นแสดงว่าในสมัยนั้นยังเชื่อถือกันอยู่ในเมืองไทยก็คงได้เชื่อถือกันมานานเหมือนกันแม้ท่านจะแสดงนรกไว้น่ากลัวมากเพื่อให้คนกลัวจะได้ไม่ทําบาปถึงดังนั้น คนก็ยังทําบาปกันอยู่เรื่อยมาแม้ในสมัยที่มีความชื่อกันสนิทก็ยังทําบาปกันอยู่นั่นแหละแต่ก็มีคนไม่น้อยที่ไม่ทําบาปเพราะกลัวไปนรกเพราะท่านแสดงนรกไว้ล้นแต่น่ากลัวในที่บางแห่งยังได้กล่าวว่าทุกในนรกนั้นร้ายกาดนักนักททษที่ถูกทรมานแทงด้วยห อ, อกร้อยเล่มในเวลาเช้ายังไม่ตายก็แทงด้วยห อ, อกอีกร้อยเล่มในเวลากลางวันยังไม่ตาย เขแทงด้วยห อ, อกอีกร้อยเล่มในเวลาเย็นความทุกข์ของนักโทษนี้เมื่อเทียบกับทุก์ในนรกแล้วก็เล็กน้อยเหมือนอย่างหินก้อนเล็กๆส่วนทุกในนรกเหมือนอย่างพญาเขาหิมะวันเรื่องคนไม่กลัวนรกทั้งที่เชื่อว่านรกมีอยู่และเป็นทุกข์มากมายไม่ใช่เป็นของแปลกเพราะมองไม่เห็นแม้คุกตารางและการลงราชทัรร์ต่างๆมองเห็นอยู่ด้วยตาก็ยังไม่กลัวยังมีคนเข้าไปอยู่เต็มโดยมาก เวลาจะทำผิดก็ไม่ได้คิดกลัวกันเช่นพวกปร่นเวลาปร่นดูจะกลัวไม่ได้ซับมากกว่าโลกโกรธหลงนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้ไม่ค่อยกลัวอะไรใกล้ตายังไม่กลัวไกลตาก็ยิ่งลืมกลัวไปเลยการลงทันเรื่องนรกมีลักษณะส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับคุกตารางและการลงทันนักโทษสมัยโบราณอันเรียกว่ากรรมก่อนแปลว่า การกระทากรรมหมายถึงการลงทันท่านแสดงว่ามี32อย่างเรียกว่าทวัติงสักกรรมมะกรอแปลว่ากรรมะกร32มีกล่าวถึงในหลายพระสูตรจะได้นำมากล่าวโดยคัดจากคำแปลและอธิบายตามในอัตถกถาของท่านผู้หนึ่งดังต่อไปนี้คือ 1. กรสาฮิป e ิตาเรนเต้โบยด้วยแสส 2. เวเตฮิปิตาเรนเต บอยด้วยหวา 3. อัฏฐทันทะเกหิปิตะเลนเตตีด้วยตะบองสัน้น 4. ห่ัฏถทำปิกิ้นทันเตตัดมือ 5. ้าปะทำปิฉันทันเตตัดเท้า 6. อัฏฐปถาธทมปิกชิทันเตตัดทั้งมือทั้งเท้า 7. กันนำปิกิ้ทันเตตัดหู 8. นาสัมปิ ชินทันเตตัดจมูก 9. ก้นนากนาสัมปิชินทันเตตัดทั้งหูทั้งจมูกสิ 10. พิลังคถาลิกคมเปย์กา ร, รุนเตลงกรรมกรวิธีหม้อเคี่ยวน้าส้มคือต่อยขมังออกแล้วเอาคีมขีบก้อนเหล็กแดงใส่ลงไปให้มันสมองเดือดพุ่งขึ้นเหมือ น, น้ําส้มเดือดล้นหม้อ 11. สังขมุนที่กมปิกา ร, รุนเตลงกรรมกรด้ววิธีขอดสัง คือกรีดหนังตัดกำหนดตรงจรหูทั้งสองและหลุมคอเดอรอบรวบผมทั้งหมดขมวดรวมกันเข้าพันกับท่อนไม้ถลกขึ้นให้หนังหลุดขึ้นไปพร้อมกับผมแล้วขัดกระโหลกศรีษรษะด้วยก้อนกรวดห ย, ยาบล้างทำให้มีสีเหมือนสัง 12. ราหูมุขัมปิกคารนเตลงกรรมกรวิธีปากราหูคือเอาขอเกี่ยวปากให้อ้าแล้วจุดไฟในปากนั้นหรือเอาสิวตอกแต่ให้จรหูเข้าไปทะลุปาก โลหิตไหลออกมาเต็มปากดูปากอ้าแดงดังปากราหู 13. โชติมาลิกัมปิกโรนเตลงกรมกรมาไหยไฟคือเอาผ้าชุบน้ำมันพันทัว่วตัวแล้วเอาไฟจุด 14. บัททับปัดโชติกัมปิกโรนเตลงกรมกรวิธีคบมือคือเอาผ้าชุบน้ำมันพันนิ้วทั้งสิแล้วเอาไฟจุด 15. เอร ก, กะวัตติกัมปิกโรนเต ลงกรมกรวิธีริ้วสายคือเชือดหนังออกลอกเป็นเร็วๆตั้งแต่ใต้คอลงไปจนถึงข้อเท้าแล้วเอาเชือกผูกจุดให้เดินนักโทษเดินเหยียบริ้วหนังของตัวเองก็ล้มคลุกคลานไปจนกว่าจะตาย 16. จิรกวาสิกัมปิกโรนเตลงกรมกรวิธีนุ่งเปลือกไม้คือเชือดหนังเป็นเร็วๆอย่างบทก่อนแต่ทาเป็นสองตอนตั้งแต่ใต้คอถึงเอวตอนหนึ่ง ตั้งแต่เอวถึงข้อเท้าตอนหนึ่งริ้วหนังตอนบนห้อยคุมลงมาปิดกายตอนใต้เอวดูดังนุ่งเปลือกไม้17เอนนยะกัมปิกะโรเตลงกรรมกรวิธียืนกวางคือเอาห่วงเหล็กสวมข้อศอกทั้งสองและข่าทั้งสองให้กุ้งโค้งลงกับดินเอาหลักเหล็กสอดตอกตรึงไว้เป็นกริยาว่าสัตสีเท้าแล้วก่อไฟล้อมลนไปจนตาย18ผลิตสามสิกัมปิกะโรเต ลงกรรมกรวิธีเกี่ยวเหยื่อเบ็ดคือเอาเบ็ดมีเงี่ยงสองข้างเกี่ยวตัวดึงเอาหนังเนื้อและเอ็นออกมาให้หมด 19. ก้หาปันกัมปิกรนเตลงกรรมกรวิธีเหรียญกระสับคือเอามีดคมค่อยเฉือนเนื้อออกเป็นแว่นๆขนาดเท่าเหรียญเงินจนกว่าจะตาย20ขาราปะตัจิกัมปิกรนเตลงกรรมกรวิธีแปลงแสบ คือสับฟันสีให้ยับทั่วกายและเอาแปรงหรือหวีแข็งชุบน้ำแสบคือน้ำเกลือน้ำด่างน้ำกรดคู่ถูไปให้หนังเนื้อเอ็นขาดลุดออกมาหมดหรือแตกกระดู 21. ปรีะปริวัติกัมปิกรณเตลงกรรมกรวิธีการเวียนคือให้นอนตะแขงและเอาเหลาเหล็กตอกตรงช่องหูทะลุลงไปตรึงแน่นอยู่กับดินแล้วจับเท้าทั้งสองยกเดินเวียนไป22 ปาราลปีถะกรรมปิกะโลนเตะลงกรรมกรวิธีต่างฟางคือเอาลูกบิดศิลากลิ้งทับตัวบทให้กระดูกแตกปนแต่ระวังไม่ให้หนังขาดแล้วจับผมรวบยกขย่อนขย่อนให้เนื้อรวมกันเข้าเป็นกองจึงเอาผมนั่นแหละพันตล่อมเข้าวางไว้เหมือนต่งทำห้วยฟางสำหรับเช็ดเท้า23ตัดเตนปีตะเลนโอศินจันเตราดด้วยน้ำ ม, มันเดือดยี่ สุนักเขหิปิขาทาเปนเตให้สุนักถึงคือขังฝูงสุนักไว้ให้อดหิวหลายวันแล้วปล่อยให้ออกมารุมกัดถึงพักเดียวเหลือแต่กระดู 25. ชีวันตำปิสูเลอุตตาเสนเตให้นอนหงายบนลาวทั้งเป็นทั้งเป็นคือตรงกับที่กฎหมายเก่าเรียกว่าเสียบเป็น 26. อสิอินาปิสีสังชินทันเตตัดศีรษะด้วยดาว วิธีลงกรรมกรตั้งแต่ข้อหนึ่งถึง26เหล่านี้ในกฎหมายเก่าได้นำไปตราไว้เป็นบทลงโทษเหมือนกันขึ้นต้นมีพระบาลีดังที่ยกมาไว้แล้วกำหนดความผิดต่างๆมีขบฏต่อราชบัลลังก์เป็นต้นแล้วจึงกล่าวบทลงโทษตามพระบาลีนั้นวิธีลงกรรมกรที่กล่าวถึงในพระสูตรมีเพียง26แต่อ้างกันในที่โดยมากว่ามีสสองจึงเรียกว่าทวติงสกรรมกรท่านผู้แปลนั้น ได้รวบรวมมาอีก6กอย่างนี้ 27. เอาขวานผ่า อ, อก 28. แทงด้วยหอกทีละน้อยจนกว่าจะตาย 29. คขุดหลุมฝังเพียงเอวเอาฟางศูนครอกด้วยไฟพอหนังไหม้เอาถ่ยเหล็กถ30ยเชื่อเนื้อออกมาทอดให้กินเอง 31. อตัดหรือแหวะปากสามสจำผ้าประการไว้ในคุกคุกตารางและกรรมกรต่างๆเช่นที่กล่าวมานี้ เป็นนรกในโลกนี้สําหรับคนประพฤติผิดกฎหมายมีวิธีและเครื่องมือทรมานเขาเดียวกับนรกที่กล่าวมาโดยมากอาจจะเป็นต้นแบบของนรกทั้งหลายก็ได้พระพุทธศาสนากับเรื่องนรกทางพระพุทธศาสนารับรองเรื่องนรกทั้งหลายเพียงไรการที่จะตอบปัญหานี้ต้องอาศัย ห, หลักฐานและเหตุผลตามหลักชั้นบาลีที่อ้างว่าเป็นพระพุทธวจนะก็กล่าวในที่ทั่วไปถึงนิรยะ หรือนรกในฐานะเป็นกติที่ไปภายหลังตายของคนทําบาปอากุศลทุจริตแต่หรือมากม่ได้กล่าวถึงลักษณะและรายละเอียดต่างๆมีเฉพาะบางพระสูตรและชาดกเท่านั้นแสดงลักษณะและรายละเอียดไว้ดังได้ยกมากล่าวไว้แล้วลักษณะและรายละเอียดเหล่านี้น่าจะเป็นเรื่องแทรกเข้ามาตามกติเก่าแก่ซึ่งเชื่อกันตต่อมาจากต้นเดิมหลายทางด้วยกัน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 นิรยะหรือนรกมาใช้เชนเดียวกับคำอื่นๆเช่นอรหันต์พะขวาพรมภิกขุนิพพานเป็นต้นแต่คำเหล่านี้เดิมมีความหมายอย่างหนึ่งทางพระพุทธศาสนานำมาใช้ในความหมายอีกอย่างหนึ่งไม่ตรงกันคำว่านิรยะก็เช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้จะมีความหมายอย่างไรในเบื้องต้นคุณจะหาความหมายตามหลักฐานที่ยุติไว้ด้วยเหตุผลก่อน ได้พบบาลีอธิบายเรื่องนิรยะไว้ในสลายตนะวัคในรูปความเป็นพระพุทธดำรัสตรัสไว้ว่าพิขูทั้งหลายเราได้เห็นนิรยะชื่อว่าภัษายตนิกะเกิดทางอัยตนะที่เป็นทางผัสสคือสัมผัสถูกต้อง6แล้วคือในนิรยะนั้นหนึ่งเห็นรูปด้วยจักษุสองได้ยินเสียงด้วยหูสดมกลิ่นด้วยจมูกส ลิ้มรสด้วยลิ้น 5. ถูกต้องในผดทพะด้วยกาย 6. รู้เรื่องในใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เห็นได้ยินได้ดมได้ลิ้มได้ถูกต้องได้รู้ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะและเรื่องล้วนแต่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร้ไม่น่าชอบใจตามอธิบายนี้ควรฟังได้ว่าเป็นอธิบายนิยยะในพระพุทธศาสนา เป็นอธิบายที่ไม่มีผิดครมไปได้ในนรกทั้งหมดและครอบได้ทุกการเวลาแม้ในปัจจุบันเดียวนี้เองก็ตกนรกได้ในเมื่อเครื่องแวดล้อมทั้งปวงมีแต่ทุกข์ซึ่งตนเองต้องรับเสวยถึงนรกในภายหลังตายจะมีก็รวมลงเป็นเครื่องแวดล้อมให้เป็นทุกข์ซึ่งบังเกิดขึ้นทางภาษาญตณะทั้งหกนี้เช่นเดียวกันเว้นภาษายตณะทั้งหกนี้เสียแล้วทุกข์หรือสุขอะไรก็บังเกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้น จึงดุติได้ว่าพระพุทธภาสิตนี้เป็นอธิบายนรกในพระพุทธศาสนาโดยตรงการอธิบายให้ต้องด้วยหลักฐานเหตุผลใช้ได้ทุกกาลสมัยดังนี้เพิ่งเห็นว่าเป็นลักษณะอธิบายพระพุทธศาสนาโดยทั่วๆไปภูมิดิรัชานได้กล่าวถึงเรื่องนรกมาแล้วจะได้กล่าวถึงดิรัชานต่อไปจำพวกนี้จัดเป็นอบายภูมิหรือทุคติ ถัดจากนรกโดยมากอยู่ร่วมโลกกับมนุษย์เห็นกันอยู่โดยปกติไม่เกิดปัญหาว่ามีหรือไม่มีอย่างอวัยภูมิจำพวกอื่นแต่ในคัมภีร์ก็ยังมีกล่าวถึงดิรัชานบางจำพวกในป่าหิมพผ่านเป็นจำพวกพิเศษเช่นนาคครุฑและในสวรรค์ชั้นดาวดึงเช่นช้างเอราวัณคนธรรมดาในโลกไม่เคยพบเห็นตัวจริงพบแต่ที่พันนากษณะต่างๆไว้ในหนังสือคัมภีร์และภาพที่เขียนไว้ ตามที่คนเรานี่เองเขียนตามลักษณะที่พรรณนาไว้นั้นและใช้ความคิดตัดแปลงให้เกิดความงดงามอ่อนโยนหรือดุร้ายเป็นต้นตามที่ต้องการกลายเป็นภาพจิตรกรรมหรือศิลปะจิตรกรรมภาพผงสัตว์บางชนิดลงตัวเพราะเป็นที่รู้จักรัรบรองกันทั่วไปเช่นภาพครุดภาพหงเมื่อเขียนให้มีลักษณะอย่างนั้นก็รู้จัก ร, รับรองกันว่าครุดว่าหงถ้าใครไปเขียนเป็นอย่างอื่นก็ไม่ใช่ครุดไม่ใช่หง นึกถึงลายครือวันที่เขียนหรือแกะสลักอันที่จริงเป็นภาพศิลปะประดิษฐ์ขึ้นจากเครือเถาต้นไม้จริงๆแต่เมื่อประดิษฐ์ให้งดงามแล้วก็กลายเป็นปณิจศินไม่ใช่ของจริงถึงดังนั้นก็มีมูลความจริงคือเครือเถาต้นไม้นั่นเองสัตว์พิเศษเช่นครุฑหงเป็นต้นก็น่าจะเป็นเช่นเดียวกันตัวจริงที่เป็นมูลเดิมน่าจะมีอาจสาบสูญไปแล้วหรือมีซ่อนเร้นอยู่ก็ได้ตามศัพท์เรียกว่า ดิรัชานโยนี้แปลว่ากำเนิดดิรชานหรือสัตว์ที่ไปตามขวางคือทอดกายไปไม่ตั้งกายขึ้นตรงเหมือนอย่างมนุษย์ในภารบันดิตสูตรแสดงไว้ห้าประเภทคือ 1. ตินพักขาจำพวกมีหญ้าเป็นพักษาระบุชื่อมา้าโคลาแพะเนื้อ 2. คู่ถัพักขาจำพวกที่มีคู่เป็นพักษาระบุชื่อไก่สุ ก, กรสุนัข สุนักจิ้งจอก3าจำพวกเกิดแก่ตายในที่มืดระบุชื่อตักกแตนมุ้งไสเดือน4จำพวกเกิดแก่ตายในน้ำระบุชื่อปลาเต่าฉลาม5าจำพวกเกิดแก่ตายในของโสโรครกเช่นเกิดในปลาเน่าในศพเน่าในขนมบูรในน้ำครัมในน้ำเน่าอีกอย่างหนึ่งท่านจัดไว้สามจำพวกคือ พวกกามสัญญามุ่งหมายแต่กามอาหารสัญญามุ่งหมายแต่จะกินมรณะสัญญาตายรวดเร็วแต่จำพวกธรรมสัญญามุ่งหมายธรรมมีน้อยมากสัตว์พิเศษที่แสดงไว้มีในที่ต่างๆน่าจะรวมกล่าวไว้ในที่นี้มีดังต่อไปนี้สีหะมีสี่จำพวกคือหนึ่งตินทสีหะคือสีหาประเภทกินหญ้าเป็นอาหารมีขนมันดังปีกนกเขาสอง การาีหะคือสีหะมีสีดำดังวัวดำ 3. าปันธระสีหะคือสีหะมีสีเหลืองดังใบตองกินเนื้อเป็นอาหาร 4. เกสรสีหะคือสีหะมีเกสรหรือเรียกว่าไก่สอนในแก่ขนส้อยอันอ่อนงามดังเอาผ้าแดงมีค่าสูงมาพาดไว้และขนในตัวที่ขาวดังสังขัดสีปากและปลายเท้าทั้งสี่แดงดังทาด้วยน้ำครั่งละลายด้วยชาิหอละุน ปากและท้องก็แดงดังนั้นและเป็นแนวแดงตั้งแต่ศีษะไปตลอดหลังเลี้วลงไปถึงขาคําว่าสีหะถ้าแปลว่าสิงโตก็มีตัวตนที่รู้จักกันในปัจจุบันแต่ถ้าแปลว่าราชสีก็กลายเป็นสัตว์พิเศษดังที่เคยพบเห็นในภาพเขียนซึ่งอาจจะแผดเสียงให้มนุษย์และสัตว์นิรชาญอื่นๆหูแตกตายได้หรือคําว่าหงถ้าแปลว่าหงก็เป็นสัตว์พิเศษถ้าแปลว่าห่านก็เป็นสัตว์ธรรมดาไปตระกูลช้างสิบคือ 1>, 1. กาลาวะกะ 2. คังเคยยะสปันระ 4. ตัมพะ 5. ปิงคะละ 6. คันทะ 7. มังคละ 8. เหมะ 9. อุปสถะ 10. ชัดทันตะในมโนโรถปุรณีกล่าวว่าช้างตระกูลกาลาวะกะได้แก่ตระกูลช้างโดยปกติท่านว่ามีกำลังเท่ากับบรุษสิบคนรวมกันแต่น่าจะต้องเป็นบรุษที่มีกำลังมากเป็นพิเศษทั้ง10บคน จะรวมกันเท่ากับกำลังช้างเชือกหนึ่งตระกูลช้างถัดจากนี้มีกำลังมากกว่ากัน10บเท่าขึ้นไปโดยลำดับและ10บเท่าของช้างตระกูลฉัดทันเรียกว่าตถาคตพละหรือกำลังนารายยังมีพวกปลายใหญ่ๆที่กล่าวไว้ในคำพีอภิธานปบปตีปิกาเจ็ดำพวกคือ 1. ติมิ 2. ติมิงคิละหรือกลืนปลาติมิได้ 3. ติเมระปิงคละ 4. อานนท์ห ติมินทะ 6. อัจฉาโรหะเจมหาติมิมีกล่าวถึงนายไตรภูมิพระร่วงเจ็ดจำพวกเช่นเดียวกันส่วนในคมพี้อุทานกล่าวไว้3ามจำพวกคือ 1. ติมิสองติมินคะระสติมิติมินคะะคือกลืนปลาทั้งสองนั้นได้ปลาใหญ่สามจำพวกนี้ดูกล่าวไว้เป็นกลางๆโดยลักษณะ ท, ที่ใหญ่โตจนถึงกลืนกันได้โดยลําดับแบบคําว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กนอกจากนี้ยังกล่าวถึงครุดนาดและหง ที่กล่าวถึงในหนังสือนิทานชาดกหรือวรรณคดีเก่าๆซึ่งมีภาพเขียนหรือแกะสลักเกี่ยวกับเรื่องเทนิยายเป็นต้นรวมความว่าสัตว์ิรัจฉานทุกจําพวกจะเป็นชนิดสามัญหรือชนิดพิเศษโดยลักษณะธรรมชาติหรือโดยอํานาจบุญพิเศษเช่นเป็นราชพานะได้ขึ้นระวางอย่างมียศก็ตามก็คงเป็นจําพวกอวัยภูมิเหมือนกันโปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์ สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป